บทที่ยี่สิบสี่เวทิสาคู่พระบารมีแห่งจอมจักรพัทเราช่วยกันแก้โลทราจนฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเธอมีอาการอ่อนเพลียมากเมื่อได้ให้อาหารบางอย่างแก่หญิงสาวจนมีกำลังขึ้นบ้างแล้ว อโศกจึงตรัสว่าชโลธราถ้าท่านเห็นว่าการกระทําอันใดของข้าพเจ้ารุนแรงไปบ้างก็จงอภัยด้วยเถิดข้าพเจ้าทําไปเพราะความแค้นอันสืบเนื่องมาจากเคยรักท่านมากเหนือสิ่งใดในพื้นพิภพนี้อโศกชโลทราพูดด้วยเสียงสะอื้นท่านนั้นเป็นที่รู้และยอมรับกันว่าเป็นแม่ทัพอันแกว่งกล้า มีฝีมือเป็นที่เกรงขามแก่กษัตริย์ในานานานครแห่งชมพูทวีปข้าพเจ้าไม่นึกเลยว่าท่านเป็นผู้ชายชาติทหารจะละเสียซึ่งศัก์ชายและคมเหงสตรีเล่นตามความพอใจชาตินี้ข้าพเจ้ามีกรรมเกิดมาเป็นหญิงดอกหากเป็นชายอย่าว่าแต่เพียงแม่ทัพอโศกเลยแม้เป็นราชาแห่งอาณาจักรมคต ก็ไม่เคยคิดเกรงคาของชโลทราเป็นเสมือลมกระพือให้ไฟคือโทสะของราชบุตรซึ่งกําลังจะมอดอยู่แล้วให้โหมแรงขึ้นอีกทรงจ้องหน้าชโลทราอยู่ขณะหนึ่งแล้วตรัสว่าชโลธราปากของท่านคมนักเราอยากให้ท่านเกิดเป็นชายเราอยากให้ท่านเกิดเป็นชายซสี จ, จริง เพื่อสมความตั้งใจของท่านที่ท่านกล่าวมาว่าเราละเสียซึ่งสักชายนั้นความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ก็มิใช่รักสักชายและสงวนสักหญิงดอกหรือจึงทำให้เราต้องเจ็บแค้นถึงขนาดนี้ชะโลธราเออยท่านจงทบทวนถึงเหตุการณ์เก่าๆหน่อยเถิะจะเห็นว่าเราเป็นชายชนิดไรท่านนั้นอยู่อย่างว้าเว น้ำบ้านป่ายอมให้เราเคล้าเคลียปลเล้าปลลมถึงขนาดนั้นแล้วถ้าเราจะประทับรอยมนทินไว้แก่ท่านให้ถึงที่สุดเสียตั้งแต่ครั้งกระนั้นท่านหรือจะสามารถป้องกันตนเองได้โอกาสที่จะทําเช่นนั้นก็มีอยู่มากการที่เราละไว้ก็เพราะรักในศัก์แห่งความเป็นหญิงสาวของท่านประการหนึ่งอีกประการหนึ่ง เรามุ่งหมายจะให้ท่านมาเป็นคู่ครองแห่งตนแล้วจะได้เป็นมารดาที่ดีของลูกถ้ารู้เสียแต่ต้นว่าท่านร่านดำกฤิตนาถึงปานนี้เราหรือจะปล่อยท่านให้พ้นมือมองจากอาการภายนอกเห็น <he ller, S 2> ท่านเสงี่ยมเจียมตัวดีอยู่ไม่เคยนึกเลยว่าท่านนั้นแท้จริงเหมือนภูเขาไฟใต้น้ำ คบข้าพเจ้าเพื่อเริงรักเล่นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวปรารถนาแต่กามรมารมเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้สนองการมารมแก่ท่านเพราะเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาอันควรและด้วยการมองท่านในแง่สูงเกินกว่าที่ท่านเป็นจริงจึงไม่ได้กระทาสิ่งที่ชายควรกระทาแก่ท่านท่านจะคำนึงถึงความจริงข้อนี้ และหัวใจรักอันสูงส่งของข้าพเจ้าที่มีต่อท่านอยู่บ้างหรือข้าพเจ้าเคยได้ฟังมาว่าไม่มีหญิงใดจะรู้สึกอิ่มในเรื่องความสวยหรือความรักเหมือนไฟไม่รู้สึกพอด้วยฟืนทะเลด้วยน้ำความตายด้วยสัพพสัต ท, ทั้งหลายสตรีด้วยการเปลี่ยนชายชมทีแรกข้าพเจ้าคิดว่าข้อความดังกล่าว จะจริงก็คงยกเว้นชโลทราสักคนหนึ่งแต่แล้วความคิดของข้าพเจ้าก็ผิดคำโบราณยังคงถูกอยู่นั่นเองข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะว่าหญิงทั้งโลกดอกแต่สำหรับชโลทรานั้นถูกต้องโดยท่องแท้ร่างกายอันสวยงามของท่านหุ้มห่อไว้ด้วยซึ่งหัวใจอันเลาะและโลเลท่านเป็นดอกไม้ที่สีสวย แต่ช่างไร้กลิ่นเส็ จ, จริงๆมีหนำซ้ำภายในเกสรยังมีหนอนคลุกคล้าอยู่มากมายชโลธราเออยความงามแห่งร่างกายของท่านนั้นจะมีค่าอะไรเมื่อใจท่านปราศจากความมั่นคงใครเล่าจะพอใจในบ้านซึ่งฉาบทาด้วยสีอันสวยงามแต่ทว่าภายในทั้งเสาคือกรอนและเครื่องค้ำจุนอื่นๆผุหมดแล้ว มันเพียงแต่ลอตาคนสัญจรไปมาให้อยากเปิดประตูเข้ามาดูแล้วถอยออกไปเท่านั้นสตรีงามแต่จิตใจโลเลไม่มั่นคงนั้นใครเล่าจะเลี้ยงจริงใครเล่าจะพอใจร่วมชีวิตด้วยเขาเพียงแต่ลิ้มลองเล่นแล้วทิ้งคว้างไป เชโลทราเอ่ยน้ำใจท่านนั้นช่างเหมือนน้ำค้างบนใบพลือเสียจริงๆเมื่อยามดึกเหมือนจะรองดื่มได้แต่พอต้องแสงสุรีส่องศาสเมื่อรุ่งอรุณก็พรันเหือดแห้งหายไปข้าพเจ้ามารู้น้ำใจของท่านเมื่อข้าพเจ้าหัวใจจะขาดรอนเพราะถลำรักลงไปในตัวท่านเสียแล้วคนน้ำใจอย่างท่านนี้ไม่ควรแก่การถนอม ใครมาพบเข้าเวลาใดก็ควรจะรีบตักตวงและดื่มรสรักเสวนั้นเมื่อสมใจแล้วก็ทิ้งไปให้ท่านเรียกรักจากคนใหม่ต่อไปข้าพเจ้าเสียใจนักที่เป็นแม่ทัพเสียเปล่าเจนจบทั้งกลยุทธ์และตำราพิชัยสงครามข้าสึกไม่อาจล่อให้หลงกลใดๆไ ด, ได้แต่มาหลงกลแห่งสตรีตัวน้อย ซึ่งไม่มีความรู้อะไรนอกจากขุดหลุมแห่งความสเสน่หาพลางไว้รับสั่งดังนี้แล้วอโศกราชกุมารอุ้มชโลทราขึ้นมาติดตามด้วยสหายทั้งสามมุ่งสุนครอุจเชนีโดยไม่ได้แวะเมืองเวททิศทรงดำริว่าจะจัดขบวนเกียรติยศไปรับเวทิสาธิดาแห่งเวทมานกเศรษฐีไปอภิเศก เมื่อถึงเวลาอันควรเนื่องจากยังไม่ได้ตัดสินพระไทยแน่นอนว่าจะจัดการกับชโลธราอย่างไรในขณะที่กรองนคร อ, อุจเเนีอยู่นั้นจึงให้ชโลธราอาศัยอยู่ณตำหนักน้อยแห่งหนึง่งมีหน้าที่ร้อยดอกไม้บูชาพระศิวะเพื่อให้จิตใจของเธอหันมาสนใจทางศ า, ศาสนาเสียบ้าง และเพื่อจิตใจของเธอจะได้สงบผ่องแผ้วอโศกทรงพยายามหลีกห่างจากชโลทาราไม่ทรงไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าทางใดๆทรงคอยเวลาให้เป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินว่าพระองค์จะทรงกระทมประการใดกับหญิงสาวผู้นี้ชโลทาราไปเก็บดอกไม้มีดอกมะลิเป็นต้นที่ในสวนมาร้อยเป็นพวงมาลายบ้าง เสียบกับก้านมะพร้าวบ้างบูชารูปพระศิวะตามคตินิยมแห่งศาสนาพราหม์เสมอมามีบ่อยครั้งที่ผู้กรองนครอุดเชนีโอรสแห่งพระนางวิมังสาทรงรู้สึกว่าวุ่นพระไทยอารมณ์เก่าสมัยก่อนเมื่อทรงเคล้าเคลียอยู่กับชโลทราคอยแลบเข้ามารกวนอยู่เสมอบ่อยครั้งที่พระองค์เข้าสู่แท่นบรรทม แล้วไม่อาจบันทมหลับได้หรือคราวใดที่ตื่นบันทมในยามดึกพระเนตรจะค้างอยู่ตลอดราตรีจนรุ่งสางเพราะอารมณ์เก่ามารบกวนบางครั้งทรงเศร้าซึมไปตลอดวันทำไมหรือหญิงซึ่งใจโลเล ถ, ถึงปานนี้พระองค์จะทรงกังวลอะไรถึงเขาอีกสีครินซึ่งบัดนี้ดำรงตำแหน่งมหาอมาร์ต เป็นที่ปรึกษางานของรัฐแห่งผู้ครองนครได้สังเกตเห็นพระอาการนี้ของพระราชบุตรเสมอมาพระองค์ยังทรงกังวลพระทัยเรื่องชะโลธราอยู่หรือศีครินทูลถามในเย็นวันหนึ่งขณะเข้าเฝ้ายังมีอยู่บ้างทรงตอบหมอมชั้นเห็นพระทัยในเรื่องนี้แต่หมอมชันเห็นว่า พระองค์ทรงมีพระไทยเด็ดเดี่ยวประจำพระอัธยศาศัยอยู่แล้วคงตัดได้ในไม่ช้าขอบใจมากสีคารินเรื่องอย่างนี้ต้องถูกเข้าเองจึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรความรักนั้นเราพอตัดได้ดอกแต่ความเสียดายที่ไม่ได้ประทับรอยมนทินไว้กับชโลธราให้ถึงที่สุดและอารมพิสวานี่สิคอยรบกวนอยู่เสมอ ยากที่จะกวาดล้างให้เกลี้ยหัวใจในระยะเวลาอันสั้นมันคอยแลบเข้ามากวนใจให้หัวลรลึกถึงอยู่เสมอเหมือนฟ้าแลบในราตรีที่ฝนตกฟ้าขนองคนไม่เคยมาเองไม่รู้ดอกว่าอารมพิศสวามีอำนาจเพียงใดจะให้เรารับจโลทราไว้อีกเราก็รังเกยียจเสียแล้วเธอไม่เหมาะสมที่จะเป็นแม้เพียงสนมผู้กรองนครเช่นเรา เราเองก็เพิ่งประจักษ์ครั้งนี้ว่าอารมณ์พิสว่าสําหรับคนที่เคยรักนั้นเป็นสิ่งตัดยากเพียงใดนี่เองที่ทําให้มนุษย์ต้องฆ่ากันเพราะความรักความพิวสว่าอยู่เนืองเนืองแต่อย่าพูดอะไรมากเลยศีครินการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างการเวลาเป็นเครื่องรักษาสิ่งที่อย่างอื่นไม่อาจรักษาได้ เมื่อระยะเวลาล่วงไปพอสมควรอโศกได้จัดขบวนเกียรติยศไปรับเวทิสาทิดาเวทธมานกเศรษฐีแห่งเมืองเวทิสามาอาภิเศกดำรงตำแหน่งพระอัครชายาสมพระเกียรติยศทุก ป, ประการงานอาภิเศกสมรสแห่งเจ้ากรองนครอุเชนีและวิเทศเอิกรกริกมโหราณยิ่งแล้ว หลังจากนั้นไม่นานศรีครินก็เข้าพิธีสมรสกับชาลินีสมปรารถนาเช่นเดียวกันฝ่ายชะโลทราบัดนี้เธออยู่อย่างว้าเหวเงียบเหงาไม่มีใครสนใจเธอเลยโชคชะตาของเธอมีแต่ความว้าเหวตลอดเวลาที่ผ่านมาบางระยะก็เพราะเหตุการณ์บันดาลให้เป็นไปแต่บางช่วงเธอทำเหตุขึ้นเอง เหตุการณ์ที่ผันผวนมาในชีวิตนั้นถ้ามาจากเหตุภายนอกก็มักอยู่ไม่นานแต่ความผันผวนที่เจ้าของชีวิตก่อขึ้นเองนั่นสิมักมีผลยืดเยือ้อและในความยืดเยื้อนั้นจะมีความเสียดายเสียใจบาดสีใจและแค้นใจตัวเองติดพันอยู่ด้วยอย่างใกล้ชิดบาดนี้ เธอถูกทอดทิ้งให้อ้างวางอยู่เดียวดายเปล่าเปลี่ยวยิ่งกว่าเมื่ออยู่หน้าบ้านป่าซิีอีกการมีชีวิตอยู่ในหมู่คนในสังคมแล้วถูกกิีดกันออกจากสังคมโดยไม่มีใครครบด้วยนั้นเป็นความทรมานอย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยอย่างชโลธราใจของเธอห่อเหี่ยวเศร้าหมองทุกทรมานมีความโศกเป็นเบื้องหน้า ไม่มีความสดชื่นรื่นรมใดๆเหลืออยู่เลยในตาอันแดงช้ำใบหน้าที่เศร้าหมองระบายไปด้วยริ้วรอยแห่งความรมัฐมเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของชะโลธราเธอมีแต่ท้องฟ้าอันห่างไกลน้ำตาและความเงียบเหงาเท่านั้นที่เป็นเพื่อนใจชะตาอันนิครจะเป็นคนสร้างให้ก็ตาม แต่เธอก็มีส่วนร่วมในการสร้างชะตาชีวิตของเธอด้วยบางครั้งเธอกลัดกลุ้มคลุ้มกล้างเหมือนอาการแห่งผู้วิกลจริตชะโลธราหญิงสาวผู้งามแต่เรือนร่างแต่จิตใจดิ้นรนสเสน่หาอารมณ์อันยั่วยวนทางกามเมื่อมีชีวิตอยู่อย่างนี้ลองคิดดูเถิดเธอจะเป็นบ้าตายไปสักวันหนึ่งหรือ ความใคร่ในกามรมอันร้อนแรงของเธอถูกปกปิดอำพรางไว้ด้วยมิตรเมน้นด้วยท่าทีอันสงบเสงี่ยมเป็นเครื่องลวงมันเป็นเสมือนภูเขาไฟใต้ทะเลลึกอย่างแท้จริงสตรีประเภทชโลธรานี้แหละที่ชักใยให้ชายหลงติดพันโดยใช้รูปและเสียงเป็นบ่วงดักเธอแสดงอาการกิริยาวาจาให้ชายเห็นว่ารักเขา ตลอดเวลาที่ยังไม่มีชายใหม่มาติดพันเมื่อมีคนใหม่เธอก็เห็นว่าดีกว่าจึงจะผลักไปแต่สักวันหนึ่งเธอจะต้องติดยายตัวเองที่ชักไว้เมื่อนั้นชีวิตประเภทนี้จึงจะดิ่งลงไปในห้วงเหวแห่งหา ย, ยนะและจะขึ้นมาอีกไม่ได้เลยมันเป็นกฎแห่งชีวิตของหญิงประเภทนี้ที่ต้องลงท้ายเหมือนเหมือนกัน สาเหตุมาจากนิสัยประจำตนของเธอนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งการถูกทอดทิ้งให้ว้าเหวมาแต่ยาววัยไม่มีที่พักพิงทางจิตอย่างแท้จริงไม่ได้รับความปราณีความรักอลึกซึ้งจากผู้ปกครองจิตใจจึงพราไปแสวงหาความรักจากคนโน้นคนนี้เป็นการชดเชย พฤติกรรมอันนี้ก่อตัวขึ้นทีละน้อยมาตั้งแต่ยังยาวเมื่อเติบโตถึงคราวจะต้องมีรักแบบสเสน่หาอย่างชายหญิงทั่วไปนิสัยอันนั้นก็ยังคงมีอยู่และเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นในอนาคตอย่าพูดอะไรมากเลยชีวิตทุกชีวิตย่อมดำเนินไปตามคันลองแห่งกรรมและเจตจำนงที่เจ้าของชีวิตสร้างขึ้นใหม่ ในรูปรอยแห่งกรรมปัจจุบันจริงอยู่ชีวิตมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นสิ่งสร้างและจำแนกชีวิตมนุษย์ให้แตกต่างกันแต่จะโทษกรรมได้อย่างไรในเมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างกรรมขึ้นมาเองก่อนและผลของกรรมก็ยอกย้อนมาหาผู้ทำในภายหลังบางครั้งก็ต้องมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตา ทนเสวยผลแห่งกรรมไปจนกว่าจะหมดลิตรของมันมาระยะหลังนี้คราวใดที่ได้พบชโลทราโดยบังเอิญอโศกทรงมองดูเธอเหมือนแลเห็นดอกบัวที่เปื้อนอาจมมีทั้งความรู้สึกรังเกียจและเสียดายระคนกัน มีอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันที่พระองค์ทรงรู้สึกแช่มชื่นขึ้นเพราะทรงดรําริปราพระทัยพระองค์เองว่าดีแล้วที่ชโลธรามีอันเป็นไปทํานองนี้เสียก่อนถ้านานไปพระองค์ทรงทุ่มเทความรักลงไปมากกว่านี้อีกอภิเศษสมรสแล้วมีพระโอรสแล้วยิ่งใจโลเลคนนี้จะมีอันเปลี่ยนแปลงไปพระองค์จะทาประการใด โชคชะตาของพระองค์ยังดีอยู่มากที่ยังไม่ได้ถลําลึกลงไปยิ่งกว่านี้มันช่างเป็นเรื่องเข้าตําราอะไรเช่นนั้นคนที่มักทําความเดือดร้อนให้มากที่สุดคือคนที่เป็นที่รักที่สุดสิทธิ์ที่มักทําความผิดหวังให้แก่อาจารย์มากที่สุดคือสิทธิ์ที่อาจารย์เอาใจใส่ถ่ายทอดวิชาให้มากที่สุดลูกที่ก่อความเดือดร้อนให้มากที่สุดเกเรที่สุด คือลูกที่มารดาบิดารักมากที่สุดข้าราชการที่นินทาว่าร้ายนายของตนในที่ลับหลังมากที่สุดคือข้าราชการที่นายยกย่องและขึ้นเงินเดือนให้บ่อยที่สุดความข้อนี้แม้จะไม่ใช่ความจริงเสมอไปแต่ก็เป็นความจริงที่มีอยู่ดาดเดินให้มองเห็นอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาขอกราวถึงวิเทสาอัครชายาของอโศก นอกจากมีลักษณะเบญจ ก, กัลยานีทางเรือนร่างแล้วยังเพียบพร้อมไปด้วยนาน า, นาคุณลักษณะและคุณสมบัติแห่งกุลสตรีอันดีเยี่ยมทรงมีความอดทนอดกลั้นอารมณ์ทั้งที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนามีพระจริยาวัดเป็นที่ตรึงตราและพอใจทุกคนเหล่านั้น สมเป็นสตรีที่เกิดมาเพื่อร่วมชีวิตของเจ้าชายผู้ซึ่งมีกฤิศดาพินิหารแผ่ไปทั่วแผ่นพื้นเมธนีพระนางสมบูรณ์ได้ลักษณะแห่งสตรีผู้มีบุญอย่างแท้จริงนางผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะควรแก่ผู้มีบุญสตรีผู้ไม่มีบุญอันเคยสั่งสมมาแม้จะพบชายที่มีบุญเข้าแล้วก็มีอันเป็นไป ไม่มีโอกาสร่วมชีวิตด้วยกันเสมือนกายพบเพชรพร้อยไม่อาจมองเห็นคุณค่าของมันได้เหมือนสุนัขพบเครื่องประดับอย่างดีแม้ควรแก่ความเป็นราชาพรมันก็ยังเหยียบย่ำเล่นจะรู้ถึงคุณค่าของอาพร น, นั้นสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้มีแต่กลับไปนิยมในของต่ำของเลว อย่าโทษมันเลยวิสัยของมันเป็นอย่างนั้นเองพระนางเวทิสาทรงเสมือนนางหมพอใจอภิรมแต่สะบัวทรงมีความรู้สึกสูงมีพระเนตรที่มีแววทรงมองเห็นความสำคัญของอโศตั้งแต่สมัยที่เจ้าชายทรงปลอมพระองค์เป็นคนเลี้ยงนกยูงณประสาทแห่งตน มนุษย์เราแม้ไม่มีเกล็ดให้ดูเหมือนไก่แต่ก็มีแววให้ดูอยู่เสมอคนที่ตามีแววย่อมดูออกธาตุทองคําเมื่อยังไม่ได้ถลุงก็ดูคล้ายหินแดงธรรมดาเมื่อได้รับการถลุงแล้วสีทองจึงสุกปรังออกมาจะเข้าเบ้าสูบสกิ๋หนุนก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปได้ตรงข้ามกับตะกัวแม้จะฉาบไล้ด้วยทองคํา ก็แวววาวเพียงภายนอกเท่านั้นเมื่อถึงคราวพิสูจน์โดยเข้าเบ้าสูบความเป็นตะกัวก็แสดงออกมา<อ>พระนางเวทิาสาทรงให้ความสุขแก่เจ้าชายอโศกทุกประการคอยปลอบพระทัยเมื่อพระสวามีเศร้า ทรงประคับประคองเมื่อเขารวนเร่ทรงให้กำลังพระไทยเมื่อเขาประกอบคุณงามความดีคอยให้สติเมื่อเขาหลงไหลมัวเมาเมื่อยามบรรทมก็มีความอายดุดน้องหญิงเมื่อพระสวามีทรงมองพักก็เสงี่ยมงามเมื่อพระสวามีพิโรธก็รู้สึกขมพระไทยและคอยปลอบให้คลายพิโรธลง ทรงกระทำพระองค์ประดุดบ้านที่ก่อด้วยอิฐนายามหนาวก็อบอุ่นยามร้อนก็เย็นสบายยามพระสวามียั่วย้าวแสดงความสนิทสนมก็ไม่ล่วงเกินเลยขอบเขตเมื่อพระนางเองมีความทุกข์ก็อดทนยามสุขสงบเสงี่ยมไม่ปล่อยพระทัยให้หลงไหลมัวเมาสตรีผู้สมบูรณ์ได้คุณลักษณะดังนี้ ย่อมควรแก่ผู้มีบุญอย่างแท้จริงและสามารถให้ลูกที่ดีแก่สามีอีกด้วยและนนะครอุดเชนีนั่นเองพระนางวิธิสาก็ประสูตรพระโอรสหนึ่งพระองค์พระธิดาหนึ่งพระองค์พระโอรสทรงพระนามว่ามหินทะพระธิดามีพระนามว่าสังฆมิตรา ซึ่งทั้งสองพระองค์ต่อมาได้ออกพนวดและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสองพระองค์ได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเกาะลังกาเป็นการสนับสนุนงานธรรมทุตของพระชนกจอมจักรพัิอโศเป็นการยากเหลือเกินที่สตรีใดๆจะโชคดีถึงขนาดนี้มีพระสวามีเป็นถึงจอมจักรพัท ผู้มีอาณาเขตไพศาล ส, สู้รบไม่เคยรู้จักคำว่าแพ้เลยมีราชานุภาพเกรียงไกลเป็นที่คลั่นครามขามขยาดของราชาทั่วพื้นชมพูทวีปและในระยะต่อมาหลังจากประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงแล้วทรงหันมาแพร่ธรรมานุภาพมีชื่อเสียงกึกก้องทั่วจั ก, กรวาลเท่านี้ก็น่าจะภาคภูมิใจยิ่งแล้ว ยังซ้ำมีพระโอรธิดาเป็นพระอรหันต์อีกถึงสองพระองค์จะมีสักกิคนในโลกนี้ที่มีบุญถึงขนาดนี้พระนามแห่งจอมจกักรพรรดิอโศกยังกึกก้องอยู่เพียงใดพระนามเวทิสาก็ยังเป็นเหมือนเสียงสะท้อนอยู่เพียงนั้นช่างมีบุญอะไรเช่นนี้เจ้าชายอโศกขณะครองนครอุตเชนี นอกจากทรงกระทำรรพระองค์เป็นพระสวามีที่ดีของเวทิสาแล้วยังทรงปกครองไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินโดยยุติธรรมอีกด้วยทรงวางแผนการปกครองการศึกษาบำบัดทุกบำรงสุขของประชาชนทรงลงโทษผู้ควรลงโทษทรงยกย่องผู้ควรยกย่องทรงรังเกียจความคดโกงช่อราชบังหลวง เมื่อทรงจับได้ว่าข้าราชการผู้ใดช่อโกงรัศดรกอบโกยผลประโยชน์ของรัฐมาเป็นผลประโยชน์ของตนเองจะทรงลงโทษอย่างหนักเพื่อมีให้ผู้ใดถือเป็นเยี่ยงอย่างส่วนพระองค์เองทรงดํารงอยู่ในไ ร, รมแห่งผู้เป็นใหญ่ในแคว้นนอกจากนี้ยังทรงบำรุงการทหารมีกองทัพซึ่งพร้อมอยู่เสมอที่จะป้องกันแคว้นอวันตีรวมทั้งราชบัลลังก์ปาตาลีบุตร หากมีคำสั่งจากราชธานีแห่งอาณาจักรมคตเมื่อใดกองทัพแห่งอุจเชนีซึ่งมีอโศกเป็นแม่ทัพจะเคลื่อนย้ายออกได้ทันทีเมื่อนั้นอวันตีซึ่งมีอุจเชนีเป็นนครหลวงภายใต้การปกครองของเจ้าชายอาโศกสงบเรียบร้อยตลอดมาแผนการต่างๆของรัฐได้ก้าวหน้าไปทีละขั้นทวยนาครมีความสุขสาราญ มารดายังบุดให้ฟ้อนอยู่บนอกด้วยความเพลิดเพลินจนกระทั่งข่าวพระประชวนหนักแห่งพระเจ้าพินทุสารพระราชบิดาราชาแห่งอาณาจักรมคตอันเกรียงไกรแพร่สะพัดมาสู่อุจเฉนีราชบัลังปัตตลีบุรเป็นที่ปรารถนาแห่งพระโอรสทุกพระองค์รวมทั้งเจ้าชายอโศกด้วย ดังนั้นเจ้าชายผู้ครองแคว้นอวันตีจึงทรงละอุดเชนีไว้เบื้องหลังและพร้อมด้วยสีครินพระสหายมุ่งพระพักสุนครปาตลีบุตรโดยในที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น